เราก็สวดมหาสติบทเวทนาแล้วก็บทจิตแล้วก็บทธรรมบทธรรมนี่เราสวดได้แค่นี้วันห้านี่ทั้งหมดทั้งหมดนี้เป็นข้อปฏิบัติทั้งนั้นเลยเป็นข้อปฏิบัติบทกายบทกายนะั้นมันก็มีบทสำคัญสำคัญอาปาณสติอาณาปาณสติเนะี่ยบทกาย อ า, อานาปานะ บ, บพะว่าด้วยกายาแล้วก็อิริยาปาทะปัปพะว่าด้วยอิริยาบทของกายว่าด้วยอิริยาบทของกายอะไรมีสามสี่อย่างะลืมแล้ว กายปปะพระอิทิยะปปะพระสัมปชัญญะปปะพระว่าด้วยการเคลื่อนกายถอยหน้าถอยหลังทั้งนัง่งทั้งยืนทั้งกม้มทั้งเอยประกอบไปด้วยสัมปชัญญะประกอบไปด้วยสัมปชัญญะแล้ประกอบไปด้วยปฏิกูลปฏิกูลละปปะพระพูดถึงปปช้าเก้ามีท่านพิท่าน บทพูดถึงกายกา ย, ยานุปัสนาตามดูกายตามรู้กายมันจะว่าเกี่ยวกับอุทธิยบบทก็ตามจะว่าเกี่ยวกับอนาปาณสติคือลมก็ตามจะว่าเกี่ยวกับสัมพัชัญญะคือทาความรู้สึกรู้สึกตัวทั่วพร้อมก็ตามจะว่าด้วยปฏิกูลและบพะ คือความโศกโคกในกายของเรา mm. แต่ระบทแต่ระบาดข้อใดข้อหนึ่งข้ตามสามารถทะลุถึงมรรคถึงผลได้ทั้งนั้นไม่ต้องไม่ไม่ใช่ว่าต้องเจรณาณ์ น, นั้นแล้วก็มาเจริญ น, นี้เจริญ น, นี้ก็ไปเจริญนั้นเจริญนั้นแ้วก็ไปเจริญนั้ น, ไ, น, นไม่ใช่นี่เราจะเห็นความสามารถ mm. เห็นความฉลาดของพระพุทธเจ้าเนี่ยจับเส้นใดสายใดทะลุเหมือนกันหมดเฉ mm. พาะกายอย่างเดียว เฉพาะอิริยาบถอย่างเดียวเฉพาะอนาปานะปปะอย่างเดียวเฉพาะสัะพพัญญะปปะอย่างเดียวเฉนะพาะนาวสีวัิกับวัธิกับปปะอย่างเดียวก็ถึงมรรคถึงผลได้เราจะมาจรเวทนาเวทนาสุเวทนานุปสิวิหาราติบบที่เราสวดไปบางที่นี่ดูเวทนา เวทนานี่ถ้าเขาพูดถึงสุขเวทนาทุกขเวทนาสุขเขเวทนาทุกขเวทนาพูดถึงกายสุขพูดถึงใจสุขพูดถึงใจทุกขพูดถึงกายทุกขพูดถึงกายสุขมีอามิ t h พูดถึงกายสุขไม่มีอามิ t h พูดถึงจิตสุขมีอามิตรพูดถึงจิตสุขไม่มีอามิตร เราดูไปที่ความสุขเนียละเอียดไหมแต่พวกเราไม่เคยไม่เคยย้อนมาดูจ sort of ิตทุกมัทุกยังไงเราไม่เคยย้อนมาดูมันไม่เห็นจิตทุกประกอบไปด้วยอามิ t h คืออะไรบ้างเราไม่เคยย้อนมาดูเราก็ไม่เห็นจิตสุขประกอบไปด้วยอามิ t h มีอะไรบ้างเราไม่เคยย้อนมาดูไม่เห็นจิตสุข ประกอบก็ด้วยอา mith ม, มีอะไรบ้างแล้วไม่เคยย้อนดูแล้วก็ไม่เห็นไม่มีอา mith เราไม่เคยย้อนมาดูแล้วก็ไม่เห็นมีสุขมีทุกข์มีเบคาจิตใหญ่จิตมรจิตาจิตใหญ่จิตหนักแน่น จ, จ, จิตสูงจิตสูงอนุตตระ อนุตระอนุตรัตรงจิตสูงจิตละเอียดจิตเลือจิตสูงขึ้นไปโดยลําดับท่านพิ จ, นะพจารณาพิจารณาจิตจะพิจารณาเวทนาขอดถึงเรื่องเวทนาปฏิเสธเรื่องจิตพฏดถึงเรื่องจิตต่างการพิจารณาเรกายเรื่องเวทนารเรื่องจิต กายเวทนาจิตสามอย่างนี่สามอย่างเป็นสามในสี่นะมาสติปัฏฐานท่านจัดไว้เป็นสี่อย่างกายเวทนาจิตธรรมเมื่อกี้เราสวดเวทนาแล้วก็สวดจิตแล้วก็สวดธรรมได้บทเดียวคือนิวรณ์ห้านิวรณ์ห้าคือเครื่องกั้นเครื่องกั้นไปทุกอย่างนเมื่อมันกั้นจิตกั้นใจได้อย่างอื่นก็กั้นไปหมดเรื่องนิวรณ์ นิวรนแปลว่าเครื่องกันก้นกั้นไม่ให้เราประสบความสําเร็จกั้นจิตของเราไม่ให้ถึงคุณงามความดีถ้าเราจะพูดถึงสงบก น, นิวรนนี่แหละมันมากั้นจิตไม่ให้สงบถ้าพูดถึงเรื่องปัญญาก น, นิวรนตัวนี้แหละมันกั้นจิตไม่ให้มีปัญญาถ้าเราพูดถึงความสมําเร็จในการงานมันก็นิวรนพวกนี้แหละม า, มากั้นเราให้สําเร็จในการในงานตัวกัน้นคือตัวนิวรนตัวนิวน Vin. คือตัวกันเช่อย่างการมาฉันทะพอใจในกามในเมื่อจิตมันเคลื่อไปพอใจเกิดับเรื่องกามมดึงมันออกยากเพราะฉะนั้นเราจะให้มันหยุดมาอยู่กับพุทโธพุทโธนเราหยุดมันยากดึงกันไปดึงกันมาเร่งกันไปร่งกันมาร่งกันไปร่งกันมาจิตคิดเรื่องกามกามมาฉันทะพอใจเรื่องกาม พอใจเรื่องพยาบาทพอใจเรื um> ่องความรักพอใจเรื ii, <inteiro> ่องพยาบาทคือพอใจเรื่องชังช e ังทะพยาปาทะจิต <day> มันไม่นึกเรื่องรักมันก็นึกเรื่องชังมันไม่นึกเรื่องชังมันก็นึกเรื่องรักถ้ามันไม่นึกเรื่องรักมันนึกเรื่องชังมันก็อยากหลับทีนามิทะอยากหลับ ถ้ามันไม่อยากหลับมันก็ฟุ้งอุทธัจจกุตจักระุทธัจจกุตจัศกุทธัจกุตจังเนี่ยที่เราพูดเมื่กี้นะไปดูไปท่องดูนะสนุกดีแน่น่ะอุทธัจจกุตจักระุทธัจจกุตจัศอุทธัจกุกตจังเไปดูอันนี้แปลว่าฟุ้งซ่านแล้วก็รําคาญจิตมันฟุ้งซ่านจนเอาไม่อยู่เอามาอยู่คุปโธมันก็ไม่อยู่มันก็ฟุ้งไปเอามาอยู่คุปโทมันไม่อยู่มันฟุ้งก็ไป เอามาอยู่ทลายมันก็ไม่อยู่ฟุ้งเข้าไปนี่อย่างเดียวนี่มันก็ทําให้จิตสงบไม่ได้แล้วละมันทําให้จิตสงบไม่ได้กั้นจิตจากความสงบแล้วขก็สุดท้ายวิชิกิจฉาวิชิกิจฉาเนี่ยคือลังเล ส, สงสัยเออเราทําทําไมนาะมรรคผลมีจริงไหมเนาะทุติเจ้ามีจริงไหมเนาะจิตมันสงบจริงไหมเนี่ยจิตมันเกิดปัญญา จิตมันเกิดมหาสติมหาปัญญามันมีจริงไม่นอหลังเลสงสัยคนที่มีจิตลังเลสงสัยท่านจึงให้ศึกษาพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณรเราเห็นความสำคัญของพระพุทธเจ้าไปศึกษาดูในบทพุทธคุณนบทพุทธคุณเก้าธรรมคุณหสังฆคุณ9้าไปศึกษาดูคุณทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ มันก็จะทำให้จิตของเราเนี่ยเห็นความสำคัญของพระพุทธเจ้าของพระธรรมของพระสงฆ์อ๋อคุณของพระธรรมมีจริงสวัสดโตพระวาตาธรรมโมพระธรรมอันพระพุทธมีประภาคตรัสไว้ดีแล้วสันติโกสันติโกผู้ปฏิบัติเห็นเองโอปนยโกข น, น้อมเข้ามาปจัจจตังรู้จำเพาะตน ยต่งเวทิตะโบวิจุหิตปัจจต่งรูปจำเพาะตนอาการิโ่เอหิปสิโกนไม่ประกอบด้วยการไม่ประกอบด้วยเวลาเอหิปสิโคกควร น, น้อมเข้ามาน้อมเข้ามาที่ตาอ่าน้อมเข้ามาที่ใจนี่คือคุณของพระพุทธเจ้ากะคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์ก็สุปฏิปันโนภะควโตสาวกสันโค ป, ฏ, ป, ป, ปฏิบัติดีเลยพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบ <igne> e. um ัต <sh> <ism> ิถูกตามธรรมตามวินัยท่านบอาปฏิบัติดีสุปฏิปนโนภะโตสังโฆอุปชุปฏิปันโนปฏิบัติตรงตรงตามธรรมตามวินัยตรงต่อทางไปมรรคไปผลไนิพพานญาญาปฏิบัติ a ามสามีจิตนตรังคุณญาเกตังโนกัสส เป็นนื้อนาบุญของโลกไม่มีบุญเงื้อน้าบุญอื่นยิ่งไปกว่าประสงค์ของของพระพูทมีพระภาคสังฆคุณพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเรามีเราไปศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแล้วเราจะเลื่อมใสศรัทธาไม่ลังเลไม่สงสัยอ้อมักมีจริงอภผลมีจริงนิพพานมีจริงฤทธิเดชวิเศษพิโสในพระพุทธศาสนามีจริงความสุข ที่ไม่มีอมิตรมาเกี่ยวมาคล้องในพระพุทธศาสนานี่มีจริงก็จะทําให้เราเกิดความเลื่อมใสศรัทธามีความพอใจที่จะมาตั้งใจภาวนาพุทโธพุทโธเดินยืนนั่งนอนพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตได้รับความสงบอยู่กับอารมณ์เดียวคําเดียวพุทโธพุทโธพุทโธให้จิตมัน ส, สงบสงัดจากอารมณ์ของกามอารมณ์ของกามก็คือ จิตมันนึกเรื่องรูปพอใจในรูปนึกถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรส ถ, ถึงสัมผัส น, นั้นจิตมันนึกมันไม่มันไม่นึกไปไหนนะมันนึกไปในวงจรของมันนี่แหละมันนึกไปในวงจรของมัน เ, นน ป, นนเป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นสัมผัสเป็นธรรมารมธรรมะธรรมธรรมารมก็คืออา ร, รมณ์ที่มันล่องไปแล้วในใจมันตกผลึกไปที่หัวใจ ชิย้ยาเรานึกถึงรูปรูปที่เราเคยเห็นเมื่อวานน่ยโอ้รูป ม, มันก็โผล่ที่ใจของเราเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมารมณเราเรานึกถึงเสียงถึงกลิ่นที่ล่วงไปแล้วเมื่อวานโอ้กินตำบังฮวงน้ำลายเยอะมันหลายๆแซบแซบนะคิดถึงรถเมื่อวานที่ล่วงไปแล้วหรือที่ถึงรถตอนหัวค่ําก่อนที่จะมาเนี่ยมันล่วงไปแล้วแซบแล้วกิแซบแล้วเกินมันหลอก อารมณ์หล่านี้เป็นสัญญาอารมมันหลอกสิ่งที่ล่วงไปแล้วตกผลึกเป็นสัญญาถ้าเป็นเรื่องของกิเลสมันก็เอามาหลอกเอามาหลอกถ้าถ้าเป็นเรื่องของธรรมท่านให้ดูว่าเป็นสัญญาสัญญาขษาพึกบอกเป็นสัญญามันมาโผล่ที่จิตของเราอจริงตล้นี้แหละเป็นเป็น อารมณ์ที่มากกว่าความจิตของเราไม่ให้ได้รับความสงบเมื่อจิตเราเริ่มสงบสิ่งที่ตามมาก็คือความสุขความอบอิ่มความปีติความยินดีความเบากายความเบ า, าบใจความสุขเวลามัน้ะเริ่มมาประกอบกันทั้งหมดน่ยมันเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจอะไรมันบอกไม่ถูกละ มันประทับจิตประทับใจจิตเราก็นิ่งไม่มีอะไรมาเก่อมากวนให้ทําจิตให้สงบสงบจากกามทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันไม่วิ่งตามกามรบเสียงกินรสผลึกพระธรรมารมณ์เน่ยเป็นอารมณ์ของกามแต่ถ้าเราไม่มีตัณหาในหัวใจสิ่งเหล่านั้นมันเป็นโครจรของจิตที่จิตจะพึ่งโครจรไปเห็นรูปก็สักเทะวะเห็นได้ยินเสียงก็สักเทะวะได้ยิน ได้กลิ่นได้รถได้สัมผัสมันก็สักเทว่าสักแต่ว่ามันไม่รักมันไม่ชังนะมันไม่ชอบมันไม่ชังถ้าจิตเอาตัณหาออกหมดแล้วสิ่ง น, นี้มันเป็นของคู่กันตาคู่กับรูปหูคู่กับเสียงจมูกคู่กับกลิ่นลิ้นคู่กับรสกายคู่กับการสัมผัส ถ, ถูกต้องจิตนึกคิดอารมณ์ที่เป็นสัญญาอารมณ์สัญญาอะไรมันโผล่มาเราก็รู้ เราก็วางสัญญารมอะไรมันโผล่มาเรารู้เราก็วางเราไม่ได้เอามาจับมาเสริมต่อเป็นรูปเป็นรูปอารมณ์เป็นเสียงเป็นสัทธารมณ์เป็นกลิ่นเป็นผัสสะเราไม่ได้ามาจับต่อเป็นสัญญารมณ์กิเลสม่จับต่อไม่ได้เพราะกิเลสตัวพ่อตัวแม่ปู่เง่าของมันเราดึงออกหมดแล้วสุนี่ไม้หมายความว่าผู้ที่เอาตันหาภายในจิตออกหมดแล้ว สิ่งวันนี้ก็ทําหน้าที่ไปตามหน้าที่ของมันไม่มีอิทธิพลอะไรที่จะมาทําให้จิตของเราเดีใจเสียใจเพลินใจพอใจไม่มีสัจธรรมรู้รู้เพราะตัณหามันพาดีพาดยินให้เรารักให้เราชอบให้เราชังหรือเมื่อเราเอาตัณหาออกหมดแล้วสิ่งเหล่านี้ก็อยู่อย่างเกอ้อเก้อเราก็อาศัยเขาไปวันๆท่านนั่นเองแต่ผู้รู้อยู่ข้างใน เนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือที่จะเอามัใช้มาสอยแต่ตรงกันข้ามถ้าหากเรายังเอาตัวเจ้าตัวจอมของมันคือตันหายังเอาออกไม่ได้ยังไม่รู้เท่าทันมันยังปล่อยไม่ได้ล ะ, ละไม่ได้วางไม่ได้ตอตาหูจมูกริ้งกายใจทั้งหมดเหล่านี้เี่เป็นเครื่องไม้เครื่องมือมันตันหาเก่ามันมาอยู่แล้วมันมีมาอยู่แล้ว เครื่มเครื่องมือเหล่านี้มันก็พร้อมที่จะสร้างผลิตปัญหาให ม, <ะ>เมเ่เพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยไม่มีไม่มีจุดจบไม่มีชีวจบนี่แม้จิตของเรามันเป็นอยู่อย่างนี้ทําไมเราจึงพูดถึงตัญหาทําไมเราจึงพูดถึงถามเพราะตัญหานมันเป็นสมุทไทยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เดี๋ยวนี้พวกเรานี่ยยืนอยู่ท่ามกลางกองทุกข์ร่างกายนี่เป็นกองทุกข์ ร่างกายแต่ละคนแต่ละตนแต่ละท่านหนึ่งเป็นกองทุกข์ร่างกายนี้เป็นกองทุกข์ร่างกายนี้เกิดขึ้นมาได้เพราะผลิตผลของกิเลสเป็นเนื้อเป็นหนังของกิเลสเหตุที่เรามีกิเลสมาแต่ดั้งเดิมอยู่แล้วเราอยู่ในอันตภาพร่างกายมาสมมุติอย่างอัตภาพนี้เรามาฝึกฝนอบรมจิตของเราจนจิตของเราไม่มีตัณหาแล้วเนี่ยอัตภาพต่อไปไม่มีเพราะมันไม่มีผู้ที่จะไปจับไปจองใหม่ หมดอัตภาพหมดตัณหาแล้วก็หมดอุปาทานมหมดอุปาทานแล้วก็หมดภพหมดภพแล้วก็หมดชาติคือสักที่จะไปอุบัติในภพนั้นนั้นมันหมดทำไมถึงหมดเพราะมันรู้เท่าทันหมดแล้วมันไม่ส่งไปข้างหน้ามันไม่ส่งไปข้างหลังจิตมันาทับทราบหมดแล้วมันไม่เกาะ ยึดติดกับสิ่งนูน้นกับสิ่งนีงนน้กับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้ไม่เกาะไม่ยึดไม่ติดสักตัวรู้แล้วปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อ ย, อยมันเป็นของมันเองเพราะฉะนั้นพบชาติมันจึงเกาะตัวไม่ได้ปล่อยวางคือวางอุปาทานแต่ถ้าหาอยากตัณหายังมีอยู่อุปาทานมันยึดโดยอัตโนมัติของมันมันมีอุปาทานแล้วก็มีพบพบตัวนี้แหละมันพาจิตขึ้นที่สูงบ้างที่ต่ำบ้างสูงสูงต่ำต่ ลุ่มล่มดอนดอนพาขึ้นที่สูงเป็นเทวดาชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นเราจะต้องไปเกิดตามนั้นพาลงที่ต่ําเป็นสัตว์นรกขุมนั้นขุมนั้นขุมนั้นเราก็จะต้องไปเกิดจะต้องไปเกิดตามนั้นมันไปตามอานาจบุญกรรมในใจของเราอุปาทานมันพาไปอุปาทานมีอุปาทานแล้วก็มีพบพบอยู่มันไม่เคยสม่าเสมอเลยแหละพบ ชาติของท่านของท่านของเราสมมติ อ, อย่างเราบัตรมาในอันธภาพนี้เนี่ยใครมาวิ่งเต้นขวนขวายสร้างแต่คุณงามความดีสะสมความดีไปตลอดคนนั้นก็จะต้องจะต้องเปลี่ยนพบพภูนพบภูนพบพภูมิพพที่ต่ําขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้น อ, อาจจะไปอบัตรเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ชั้นดีเป็นมนุษย์มีสุจริต ญ, ญาดี มียศมีศักมีทรัพย์มีสริงคารมีคุณธรรมสูงสูงเลยนั้นไปอีกเป็นพอบภูมิที่ละเอียดเป็นทิพเป็นเทวดาชั้นจะาตุ้ดาวดึงยามาดุสิตชั้นใดชั้นหนึ่งก็แล้วแต่ในขั้าเรียนสูงขึ้นคุณธรรมเหล่านี้มันพาให้เราสูงเด่นขึ้นเราชอบเจริญสมาธิให้จิตได้รัความสงบที่เรียกว่าเจริญฌานเจริญฌานเจริญฌานมันสูงมันพ้นไปสวรรค์หกชั้นไป สวรรค์หชั้นยังอยู่ต่ำๆเพราะสวรรค์หกชันน้นนี่เขายัางบริโภคกา ม, มเขายัางบริโภคกามเต็มปแปร่เพราะชะ น, นกากรมคุณทั้งหลายเนี่ยมีอยู่บนสวรรค์เนี่ยสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มปแปร่มีมากมายมหาศาลกว่าโลกมนุษย์โลกมนุษย์ไม่ถึงหนึ่งเซี่ยวหนึ่งส่วนรบนสวรรค์บนสวรรค์เขามีความสุขมากกว่านี้อนุกตทิพยอันนี้กัทิพยอนนี้กัททิพยอันนี้กัททิพย์ เพราะฉะนั้นใครตั้งใจทำบุญให้ทานอย่างเดียวอย่างยิ่งยวดใครตั้งใจรักษาศีลอย่างเดียวอย่างยิ่งยวดไม่ภาวนาคนนั้นเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีล ส, สมบูรณ์ด้วยทานศีลทานนี่แหละทําให้เราได้สวรรค์สมบัติโอ้ยไปเกิดบนนั้นกากรมคุณเต็มแพร่นี่แหละเตือนระบำรบรณ์รรฟ้อนกันกรรมคุณทั้งหลายนี่ไม่ต้องไม่อดไม่อั้นเลยล้วนจะเป็นของทิพย์ เทวดาตนหนึ่งมีนางฟ้าเมาแกรดล้อมเป็นบริวานเป็นร้อยร้อยเป็นพันพันตายเอาให้ตายชักแงะแงะอยู่บนนั้นนะฮะตัลิก็ยุ่งเอหน้าสนหน้าสนอ่าถึงกระนั้นก็ตามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่าว่าอะนี่คือกองทุกข์ผลจากการมาคุณทั้งหลายทั้งปวงที่เราไปแรกบนสวรรค์ถึงกระนั้นก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญอย่างสงชีวันนี่คือกองทุกข์ถ้ายังเรายังดินดีพอใจอยู่ในนี้ก็คือเรายังยังจะต้องจมอยู่ในกองทุกข์พอเวลามันไปสเสวยจนเสร็จจนหมดแล้วเนี่ยวิบากกรรมก็ส่งไปอีกอ้าวมันตกจากที่สูงลงต้มตกกระปองไปแนละ้วไปตกกระายไปเป็นเดริชานะเป็นอะไรกันไม่รู้แหละตามบุญตามกรรมที่เราทําไม่ใช่เราจ ะ, จะทํำจะดีอย่างเดียวเนี่ยความเลวเราก็ทําอำความดีให้ผลเต็ม เต็มเปี่ยมเต็ ม, เมที่แหละเพราหมดวาระของความดีแหละความเลวก็ให้ผลบ้างตอนเนี้ยมันลบกันไม่ได้เหมือนวิธีบวกลบของเหล่านะผลกรรมดีคำไม่ดีมันไม่ใช่มันจะบวกลบแล้วก็หายไปเหมือนอยากลบบวกเลขนะไม่ใช่นะเหมือนไม่หายไปใครทําเลวมาเท่าไหร่มันก็สะสมอยู่นั้นนะั่นแหละในระหว่างที่กรรมดีให้ผลเนี่ยกรรมดีก็ให้ผลไปกรรมเลวมันก็ยังอมแป้่อยู่นั่นแนหะมันไม่อยู่ที่ไหนไม่อยู่ที่ใจนั่นแหละ มันแสดงผลออกมายังไม่ได้แสดงผลออกมายังไม่ปรากฏต่อเมื่อความดีให้ผลหมดเต็มที่แล้วความเลวที่มันที่เคยทําอยู่ในใจมันก็แสดงเป็นทุกข์เป็นร้อนออกมาแล้วเนะี่เป็นนรกชั้นนั้นชั้นนั้ น, ช, น, น, นชั้นนั้นมาโผล่เลยตอนนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงทรงตรัสว่าอาทีนวัคขาอาทีนวัคขาตถาว่าด้วยโทษบนสวรรค์ ว่าโดยโทษบนสวรรค์สัก ข, ขะแปลว่าสวรรค์าาฐานกถาศีนกถาสัก ข, ขะกถาพุทธิยถาทรงแสดงเรื่องทานเรื่องสีเรื่องสวรรค์แล้วก็อาทีนวกถาโทษถึงพูดเทศถึง โ, งโทษของสวรรค์แล้วก็กามาทีนิสังสักกถาพูดถึงอานิสงของการออกจากกาม เราอยู่บ้านอยู่เรือนเราออกจากกามได้ด้วยการภาวนาให้ใจสงบกามก็คือความนึกคิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องขลิ่นเรื่องรสเรื่องสเรื่องสัมผัสเนี่ยมันสงบมันไม่มาไม่มาก่อขวนจิตภายในจิตของเราอยู่กับอารมณ์มันเดียวคืออารมณ์ฌานอารมณ์ธรรมนะใครสามารถให้สงบสงบขั้นหนึ่งขั้นสองขั้น3าขั้น4ี่ก็ตาให้สงบไปเพราะเวลาจิตถอยออกมาอยู่ใน ในในภาวะปกติท่านให้พิจารณาเพราะจิตสงบนะั้นมันเป็นจิตที่มีพลังจิตที่มีกําลังจิตสงบนะั้นเป็นจิตที่มีกําลังนะกำลังของความสงบกําลังของสมาธิกําลังของสมาธินั้นมันจะมีคุณสมบัติของมันบางคนเคยสะสมมามีมีเดชมีอภิญญารู้จิตของคนรู้จิตของสัตว โูเหตุการณ์ล่องหน้าแปลกประหลาอัศจรรย์อ ต, ตีตังสยานนาคตังสยาม น, นี่มันไปจากคุณสมบัติของความสงบของจิตทั้งนั้นแหละ <c oughs> แล้วก็ที่เห็นชัดๆที่สําคัญที่สุดก็คือค ว, ความสุขความสุขเนี่ยมันเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เพราะว่ามันไม่ได้เจือด้วยอมิตรมันไม่ได้เจือด้วยสิ่งนู้นสิ่งนี้มันเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุข ที่ไม่มีความสุขเืิดยิ่งไปกว่าที่เจ้าสรงตตระนัตถิสันติปรังสุขขังสุขเกิดขึ้นจากความสงบเป็นความสุขที่ไม่มีความสุขเืิดยิ่งไปกว่าเพราะอะไรเพราะมันไม่มีรูปมันไม่มีรูปที่เป็นอารมณ์รูปที่เป็นอารมณ์รูปที่เป็นเสียงเป็นเผยวเป็นสัมผัสเป็นอะไรต่ออะไรที่มันตกค้างอยู่ในหัวใจมันมาแสดงซึ่งเป็นผลผลของกิเลสทั้งนั้น เราสรุปลงมาแล้วไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปขึ้นไปบนสวรรค์แล้วไปเห็นโทษบนสวรรค์อ่าแล้วจะต้องออกจากกามแล้วจะต้องมามีอในทรงอย่างนั้นอย่างนี้เราเจริญสดสดร้ดอนรเดี๋ยวนี้ขณะนี้นั่นแหละตั้ ง, ง, งที่เราอยู่บ้านนั่นแหละภ <c oughs> าวนาให้ใจสงบภาวนาให้ใจสงบเราเริ่มรู้จักเอาใจเราออกจากกรรามฮะตามไรที่วงจรของรูปของเสียงของกลิ่น ยังชัดเจนมีมีเรี่ยวแรงมีกําลังหัวใจของเรานั่นแหละคือความหมกมุ่นอยู่กับเรื่องกามจิตของเรามันหมกมุ่นอยู่กับเร่องกามตราบใที่ยังมันยังมีกําลังหลายเชี่ยวเราต้องการให้มันสงบมันสงบได้ยากแต่เราก็ต้องพยายามบังคับคู่เข็นจิตดวงนี้ที่มันดื้อมันรั้นให้มันหยุดให้มันอ ย, นอยู่ให้มันสงบจนได้นี่คือประตูแรกที่เราจะทําให้สามารถ ที่เราสามารถจะทําให้คุณธทำในใจของเราเจริญงอกงื่นไปได้เริ่มต้นจากความสงบนี่แหละครูบาอาจารย์ท่านสอนท่านจึงไม่ทิ้งสมถะสมถะเพราะสามถะมันมีพลังมีกําลังเก็บสะสมมีกําลังเก็บตุนถ้าเราจะเทียบกันเหมือนหม้อแบตเตอรีอ่โซลา่าเซลล์ของเราเนี่แหละหม้อแบตเตอรี่โซลา่าเซลล์ของเราเวลาไฟมันไฟอาทิตย์เวลาดวงอาทิตย์มันมันให้พลังมา แผงโซลาเซลล์ก็เก็บเข้าหมอหมอแบตเตอรี่เก็บข้าเก็บเข้าเก็บเข้าเก็บเข้าเก็บเข้ามันจะเก็บได้เฉพาะกลางวันนะกลางคืนมันไม่เก็บเพราะกลางคืนมันไม่มีแสงตะวันมันไม่มีความร้อนมันไม่มีความร้อนแต่เราสามารถใช้ไฟได้ไหมเราใช้ได้เพราะเรามีมอแบตเตอรี่เก็บไว้เรามีหมอแบตเตอรี่เก็บไว้จิตของเรามันหากมันสะสมของมันเองเหมือนกับมอแบตเตอรี่ สะสมความสงบจิตที่สงบกับจิตที่ไม่สงบจิตที่สะสมมีความสงบสะสมกับไม่ม well ีความสงบสะสมต่างกันคนละโลกจิตมันต่างกันมากจิตที่ไม่มีการสะสมเนี่ยแบพรวดพาดรวดรวดเร็วว่องไวพรวดพราดสุขก็สุขแล้วทุกข์ก็ทุกข์ไปแล้วพรวดพราดเร็วก็เรวไปแล้วพรวดพราดดีก็ดีไปแล้ว ไม่มีอะไรเป็นเครื่องยับยัง้งพระจิตมันรวดเร็วรวดพลาดแต่ถ้าจิตมีความสงบนั่นอนะ่ะมันไม่ใช่จะรวดพลาดตามรูปตามเสียงตามกลิ่นอะไรง่ายๆนะตาเห็นรูปจิตมันไม่ได้ไปกับกับรูปที่เราไปเห็นนะรูปก็อยู่พอรูปผู้รู้ว่ารูปไปอยู่เนี้ยอยู่ในเนี้ยอยู่ในกายเนี้มันไม่ออกไปจากกายง่ายๆนะหูได้ยินเสียง ได้ยินก็สักแต่ว่าได้ยินน่ไม่ได้ไปอยู่ที่ต้นต่อของเสียงนะมันอยู่นี้มันอยู่ตัวเราเนี่ยมันมีโอกาสยับยัง้งช่างตัวโอกาสคข้ครวนมันไม่รวดเร็รวรวดเร็วรวดพลาดไปตามอำนาจของกิเลสเหมือนจิตที่ไม่เคยได้รับความสงบจิตที่ไม่ได้ไม่เคยได้รับความสงบพอรูปเป็นเหตุรักพวดพราดไปแล้วรักแล้วรูปเป็นเหตุชังพวดพาดไปแล้วชังแล้ว ขัดข้องในหัวใจแล้วแต่ผู้มีจิตที่สงบนั่นแหละเห็นพิจารณาไ ค, คลคัวให้ดีสละโอกาสที่จะปล่อยสิ่งเหล่านั้นให้อ่าให้ผ่านไปเฉยเฉยมันมีเพราะจิตมันสงบมันดูดดื่มกับความสงบกับความสุขอยู่ข้างในมีความสุขในภายในท่านว่ามันมีความสุขในภายในมีความสุขด้วยจิตด้วยเหตุที่จิตของเราในผ่องใส จิตมันไม่มืดมดทึบทบจิตมันปลอดมันโปร่งมันสมควรแก่การแก่งานจิตมันผ่องจิตมันใสความผ่องใสของจิตนี่เนี่ยบางทีดูเหมือนกับสว่างโร่้หมดทั้งตัวเนี่ย<ม>สติเ<ม>ต็มพร้อมสมรจัญญาเต็มพร้อมปัญญาเต็มพร้อมสิ่งเหล่านี้มันมาครอบกายของเราเหมือนกับสว่างโรู้อย่างนี้เลยนี่นคือความสงบของจิต ความสุขก็อยู่ในนั้นความเอิบอิ่มความปีติความเบิกบานก็อยู่ในนั้นเราทำให้จิตได้รับความสงบเท่ากับเราเอาจิตออกจากกามเราเห็นโทษของกามถ้าเรามาคิดดูว่าเออสมมติเราไปเกิดบนสวรรค์เนาะเราจะมีความสุขสักปานใดอันนั้นก็พร้อมอันนี้ก็พร้อมการกินการอยู่ก็พร้อมอันนั้นก็ทิพย์อันนี้นก็ทิพย์มันเป็นพบชาติที่เราไปสรรมโภชกาม แต่มันก็แค่นั้นเองกามเอ้กามมันก็แค่นั้นเองกามมันมีความห่วงใยมันมีความพิตตมันมีความกังวลมันมีอะไรอยู่ในนั้นแหละเราดูพวกเทวดาเขาสวยกามอยู่บนสวรรค์เนี่ยความด้วยเหตุที่ความอยากในหัวใจของเขาเนี่ยไม่เคยบกบางลงไปไม่เคยทรมานด้วยธรรมะเขาก็ยังยังมีความรอบเต็มแปร่อ ย, อยู่นั้นแหละ เขายังแย่งกลามกันอยู่บนสวรรค์นะเทวดาก็แย่งแย่งเทพอับซอนบนสวรรค์กันเป็นเหมือนกันนะแย่งกันเนี่ยมีเทวมีนางเทพอับซรอับซร น, นางหนึ่งงามมากไปเกิดท่ามกลางท่ามกลางเขตแดนของเทพบุตรเทพประบุตรตอนนั้นกับเทพบุตรตอนนี้นางเนี่ยจะไปเกิดในเขตของใครก็ไม่เกิดไปเกิด ระหว่างกลางๆเอ๊จะเป็นขขานะไข่น้อหน่ะยมาแย่งกันไปแย่งกันมาแย่งกันไปแย่งกันมาแย่งหนังเทพอับศรเนี่ยมันรู้จะเอาไข่เลยไปหาพระอินทร์พระอินทร์เอาไปกินจอย <c oughs> รู้จักไม้เนี่ยพระอินทร์เหนีย ม, มนาจกว่าพวกเธอเห็นแล้วเป็นไงโอ้ทําไม่ได้ทําไม่ได้เพราะทําไม่ได้ผมไม่เป็นภระสุขแน่ยคนนั้นว่าทําไม่ได้ผมไม่เป็นพระสุขแนะ่พวกเธอแค่นั้นเองฉันนี่ถ้าฉันไม่ได้ฉันตายแน่เลย พร อ, อินพูดเสร็จแล้วเอาไปจอยนั่นแหะเรื่องของกามเห็นรู้อย่างไหมมันมีอินมีพอที่ไหนการที่เรามาสงบสงัดจิตจากกามต่างหามันเป็นการอิ่มกามพอเราไม่ต้องพูดถึงว่าเราไปตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์เห็นโทษบนสวรรค์แล้วถึงจะทําความภาคความเพียรแล้วจะมีอานิสงส์ของการออกจากกามได้ไม่ใช่เราพูดถึงเป็ น, เ ป, นเป็นเราอยู่เดี๋ยวนี้แหละ เราเป็นพระก็ตามเป็นเนมเป็นชีอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่อะไรก็ตามเราไปภาวนาให้จิตสงบนั่นแหละจิตมันเริ่มออกจากการสงบได้ไหมสงบได้เพราะการทำกินเหตุในรักความสงบแล้วก็พิจารณาให้คุณธรรมเกิดขึ้นเจริญขึ้นไม่ใช่เฉพาะ ผ, 20, ผู้ถือสินแปดสินสิบสสอง้อยี่2 2บเผู้ถือสินห้าสามารถทมามรรคทาผล มันรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้นี่ธรรมะของพระเจ้าถ้ามันอยากสินไว้เป็นขอเป็นกรอบเป็นเขตสินห้าคุณถือตามกรอบนี้ให้ยิ่งคุณก็ไม่มีความทุกข์ใจจากการที่คุณผิดสินก็สามารถทำมรรคทาผลได้ถือสีนแปดให้ยิ่งแต่สินแปดเนี่ยละเอียดเข้าไปนะละเอียดพูดถึงไม่พูดถึงการเสพตามกามาคุณนะสินแปดเนี่ย พระจ้าจึงมีอานิสงสมากจึงมีอานิสงส์มากสิ้นแปดสิ้นเมนเป็นศิ้นสิบกระสิน 10. แปดที่พวกเราถึงสินโบสถวนเนี่ยเท่ากับเก้าข้อนัตชกีมาลาเนี่ยสามเณรแยกเป็นสองข้อแต่สินแปดเนี่ยเอาเป็นข้อเดียวกันรวบรวมมาเป็นข้อเดียวกันเท่ากับเราถือศินเก้าข้อนะไม่ไม่ใช่ธรรมดานะศินเก้าข้อ ไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับกามแม่สามีภรรยาก็ยุ่งเกี่ยวกันไม่ได้ถ้ายุ่งเกี่ยวกันก็สินก็ขาดแน่มม่ละเอียดไหมมันละเอียดนะสามารถจะมาตัดเราให้พ้นจากอำนาจของกามได้นี่คือการถือปฏิบัติด้วยศีลด้วยธรรมมันมีผลมีนมิงนสงดีดีอย่างนี้ทำให้เราเข้าถึงความสุขตันหาเป็นสมุทยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ ร่างกายของเราเนี่ยนี่เลยคือก้อนทุกข์พวกเราทั้งหมดเนี่คือเรามีร่างกายร่างกายของเราเป็นก้อนทุกข์เราเข็ดหลาบในกองทุกข์เราดูที่อยู่ดีๆเป็นไข้เป็นหนาวเป็นตับเป็นไตเป็นปอดเป็นมะเร็งเป็นนู้นเป็นนี้สารพัดเนี่ยทุกข์หรือไม่ทุกข์จากนั้นแล้วกับเป็นไอเป็นจามเจ็บปวดเส้นเอ็นเป็นนู่นเป็นนี้ถูกของแข็งกระทบถูกของหนักทับ ถูกของแข็งกระทบถูกของหนักทับมันก็เป็นง่งายๆล่างกายล่งกายของของจะพึงแตกพึงทาลายมถูกกระทบก็ทั่งถูกนู้นตัวนี้แพ้อากาศแพ้นุ้นแพ้นี้แพ้เชื้อเชื้อโรคอย่างนู้นอย่างนี้ตายได้ธาตุดินกําเริบธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟกําเริบไม่สบายสารพัด พุ่ยยอดท่านจึงเปรียบเสมือนอยากน้าค้างหยาน้ําค้างอยู่ที่ปลายญ้าชีวิตของเราแต่ละคนแต่ละคนเหมือนหยากน้าค้างเหมือนเหมือนก้อนน้ำเล็กๆอยู่ที่ปลายญ้านะั่นแหะเราไปเดินเตะมันดูดูพรับมันก็ร่วงแล้วหยดน้ําที่ปลายยอดทุกลมพัดมามันก็ร่วงไปแล้วถูกลมอาทิตย์สาดส่องขึ้นมามันก็เหือดมันแห้งไปแล้ว ถูกชราข้ามขา้าพยัติเผาก็เริ่มเริ่มสุดโสมอันนี้ก็เริ่มสุดโสมอันนี้ก็เริ่มสุดโสมอายุเจ็ดสิปีแปดสิปีล่วงไปแล้วกันเห็นไหมเดินเดินเก้าไปสองสมเก้าต้องถอยหลังสองเก้าต้องถอยหลังหนึ่งเก้าก่อนทําไมอ่ะต้องถอยอ่ะไปถามดูเดินน่อยใครอายุแปดสิบล่วงไปแล้วเนี่ยเก้าไปข้างหน้าสองสามเก้ายังมันยังอยากจะถอยเก้ามาอีกสักเก้าหนึ่งมันไม่อยากไปข้างหน้าทั้งหมดอ่ะทําไมต้องถอย มันไม่มีแรงร่างกายทรงตัวอยู่ยากโยกโยกเยกเยกคลองคลงเคนเคนจะล้มแหล่ไม่ล้มแหล่มีไม้เท้าหนึ่งเท้าสองเท้าสามเท้าสี่เท้าบางทีก็ไม่อยู่พาล้มจนได้นี่คือกองทุกโดยเหตุที่เราไม่ชอบกองทุกนี่แหละไม่พอใจเสียเรื่องกองทุกผู้มีปัญญา จึงออกบําเพ็ญเพื่อหาช่องทางออกมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นทั้งนัไมเราจะออกได้เนอะไอ้ความแก่ความเจ็บความตายเนี่ยทำไมเราจะเอาออกได้มันจะมีพิธีการยังไงพุทธเจ้าท่านออกบําเพ็ญท่านตั้งประเด็นข้อสองสัยว่านะทำไมเราจะพ้นแก่พ้นเจ็บพ้นตายไปได้อะไรเป็นเหตุให้เกิดคะแน่ เกิดแล้วเป็นเหตุแนละ้เราต้องเมื่อแก่ต้องมาเจ็บต้องมาตายไปแสวงหานั้นได้หรือที่ออกไปบําเพ็ญเนี่ยพระเจ้าท่านออกไปบําเพ็ญไม่ใช่ออกมาซื่อๆเหมือนเราได้ออกไปหาต้นต่อของปัญหาคือความเกิดอะไรเป็นเหตุให้เกิดนี่ยี่นั่นคือต้นต่อแท้ๆที่พระองค์ออกนะโอ้เห็นคนแก่โอ้เห็นคนเจ็บโอ้เห็นคนตายที่เทวทูตแปลงมาแต่พระองค์เห็นแล้วไม่เหมือนเราเห็นคนแก่โอ้เราก็จะต้องแก่ เห็นคนเจ็บโอ้เราก็จะต้องเจ็บเห็นคนตายโอ้เราก็จะต้องตายเห็นส ม, มณะนี่แหละนี่แหละนี่แหละอะคือส ม, มณะเพศที่จะทําให้เราออกมาบําเพ็ญแบบนี้แหละมันจะทําให้เกิดความสงบสงัดพิจารณาปัญหาเหล่านี้ให้ทะลุปลุก ป, ปงไปได้ให้ทะลุทะลวงไปได้นี่พระอาก็เลยพอใจในความเป็นส ม, มณะอื mm. ในตํานาล้ก็บอกว่าออกบทซึ่งหน้าก็มี บางตำราก็บอกว่าท่านหนีออกบวชก็มีนี่พระรูปดี่เจ้าท่านออกไปบําเพ็ญนั้นนี่ยไปบําเพ็ญทุกอย่างลําบากกันดารก mm hmm. ารขบการฉันกันอะไรแต่ออไรการเป็นอยู่คนสุคุมอะไราชาติสุคุมอะไราชาติมีสมบูรณ์พรั่งพร้อมหมดทุกอย่างแล้วก็ออกไปบําเพ็ญโดดเดี่ยวอยู่อย่างนั้นอดข้าวปลาอาหารจนเป็นลมเป็นแรงตายไปสามหน เป็นลมสลบเป็นลมล้มสลบไปสาหนนั่นน่ะทาไมฟื้นมากระตายพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญท่านทรมานถึงขนาดนั้นน่ะกว่าดวงปัญญาจะเกิดขึ้นกว่าจะได้คําตอบว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดกันแน่นี่กว่าจะได้รู้จักว่าอาวิชชาปัญญาสังขาราสางขาร า, ร า, า, ราปัจญญาวิญญาณนางโอ๊ยเหลือเด่นตายมาไหมท่านมาพูดถึงวันเพ็ญเดือนหวันเพ็ญเดือนหวันนั้น ตอนเช้าไปรับข้าวของนางสุชาดาวันที่พระพิจ้าจะาตรัสรู้นี่ร่างกายของพระองค์จะต้องเปล่งปลั่งเป็นปกติวันที่จะต้องป ร, ปรินิพพานก็เหมือนกันร่างกายของพระองค์นี่พระวรากายของพระองค์นี่เปล่งปลั่งรัศมีสดใสวันนั้นก็เช่นเดียวกันแหละนางคนใช้ของนางสุชาดาไปดูเห็นพระองค์นั่งอยู่โอ้ยแม่เจ้าแม่เจ้าเทเทวดามาคอยแล้วเทวดามาคอยแล้ว ไอนางนี่ไปเคยบนบานเอาไว้เกิดมาชาตินี้คอยได้แต่งงานกับสามีที่มีสกุลมีทรัพย์มีอะไรเท่ากันก็ประสบผลสําเร็จและวคอยได้ลูกชายแล้ก็สำเร็จนางก็เลยไปไปแก้บนทําข้าวมัทุปายาตไปแก้บนพอดีคนใช้มาบอกดีอกดีใจรีบเอาไปไปกุฏิเจ้าเห็นเปล่งปลัง่งที่เราเป็นเทวดา คือนอนไปถวายพระองค์ก็ไม่มีอะไรใส่บาทก็หายบาทที่เท้าเท้าอะไรนะเน่ยเนรมิตรมาให้เลยหายถ้าพระองค์ไม่มีอะไรใส่ก็เลยมองมองมองหน้านางสุจารดาเขารู้ว่าพระองค์ไม่มีอะไรใส่นางเลยถวายทั้งถาดทองคําพระองค์ก็รับไว้แล้วก็เดินไปสวยที่ฝั่งแม่น้ําเนรัญชารา เดินเปสเวยที่ฝั่งแม่น้ําเนรัญชาราสเสวยเสร็จแล้วก็ที่ฐานลอยถาดเห็นไหมถ้ามีบา ร, รมีจะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณขอถาดใบนี้ลอยทวนกระแสน้ำโยนลงไปในแม่น้ําถาดก็ลอยทวนกระแสน้ําเห็นไหมถ้าเป็นเราเป็นท่านเสร็จแล้วเสร็จแล้วสําเร็จแล้วถ้าเป็นเรามีใครบ้างจะไม่ปลื้มปีติยินดีนะลอยทวนกระแสน้ําไป ไปถึงน้ําที่น้ําวนถาดใบนี้ก็ถูกน้ําวนดูดจมลงไปอาตามตำนานว่าไปซ้อนอยู่ใต้ถาดทองคําของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆดังแครกอากาลนาคราชนอนมาเป็นกับๆไม่ใช่นอนธรรมดานะนอนมาเป็นกลับๆเขาได้ยินดังแครกนะเมื่อวานพุทธเจ้ามาบัดองค์หนึ่งแววันนี้มาอีกแล้ว <laughs> ทั้งๆ ท, งที่ทั้งๆ ท, งที่ระหว่างพุทธเจ้าองค์หนึ่งกับองค์หนึ่งนี่ไกลมากยาวนานมากแต่พวนี้เขานอนเป็นกับกับนะคำว่าอันนี้สองจากเคยเกิดเป็นเนนปณิบัติพะระพระห้าร้อยไม่ได้ไม่ได้หลับไม่ได้นอนต้องการผลนันนี้อันนี้สองไงขอให้มีเวลาได้หลับไดนอนไปเกิดเป็นกาลนาคนอนเป็นกับกับ นอนเป็นกลับกับนะก็มีความสุขแค่นอนหลับเป็นกลับกับนั่นแหละโอกาสที่จะได้มักได้ผล่อะไรเหมือนเขาไม่ได้นั่นแหละจากนั้นแล้วพระองค์ก็ยังไม่กลับต้นโพนะยังเดินอยู่จนเวลาพลบค่ากลับมามีนายโสติยะถวายยาคามาเปิดกรรมพระองรับมาปูบันลังที่ต้นโพนะนะั่นแหะหันหลังให้กับต้นโพหันหน้าไป ทางด้านด้านทิศตะวันออกแล้วก็อีกนายหนึ่งบอกว่ า, วาพราะองค์อธิษฐานให้วัชระบันลังเกิดขึ้นวัชระบันลังนั้นก็เกิดขึ้นอธิฐานอาบุญบา ร, รมีเบิกบุญบา ร, รมีมาใช้ก่อนนี่นิสัยของพระองค์เป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่ขอร้องให้อันนั้นช่วยให้อ น, นี้ช่วยนะขอร้องให้ความดีที่สะสมไว้เนี่ยมาช่วยนี่การอาธิษฐานบา ร, รมีถ้าเราจะสรุปเป็นพระสัมมาสัมพุท ธ, ธะ ขอวัชระบัลังจงบังเกิดขึ้นมารองรับเราวัชระบัลลังนั้นก็เกิดหมายความว่าเบิกกองทุนที่เคยฝากไว้เนี่ยมาใช้ล่วงหน้าก่อนถ้าเราจะพูดง่ายๆนะมันไม่ใช่อ้อนวอนขอจากเทวบุตรเทวนาฏตวนั้นตัวนี้นะไม่ใช่นะเพราะนศาสนาของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ศาสนาต้องมาอ้อนวอนต้องมาขอนน้นขอนี่ขอคุณงามความดีที่เราเคยสร้างเคยทํำมาไว้ขอผลแห่งคุณงามความดีเหล่านี้ จงมาช่วยเราในคราวนี้คราวคับขันนี่ครับเบิกเอาความดีมาใช้ก่อนเบิกเอาคุณงามความดีมาใช้ก่อนนะเพราะทํามาแล้วมาฝากมาฝังไว้นานแล้วโดยพระยี่ยงพุทธเจ้าเนี่ยสี่อสองขายแสนหมหากรรมโอ้ยคุณงามความดีไม่รู้เท่าไรต่อเท่าไรนะผลปรากฏเป็นเหตุให้พระองค์ได้บรรลุพระสัมมาสัมพุทธญาณพระองค์จะไปจะไปแปลกประภทยอะไรในเมื่อผลงาน ผลของทานผลของศีลในคำว่าปัญญาวิริยะขันธิสัจ ญ, ญาทิฏฐานเมตตาเบขาที่พระองค์ทรงทำมามันมากมายมหาศาลกว่ามากมายมหาศาลจนเห็นคุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วมันท่านไม่ได้ตื่ น, ต, นตื่นเนื้อตื่นตัวตื่นตาตื่นใจอะไรเพราะสิ่งที่พระองค์เสียสละมากมายมหาศาลถึงเหมือมนอย่างที่พระองค์เสด็จไปที่โน้นเสด็จไปที่นี่มีคนก็เอา ทำบุญให้ทานเกลือนลาบสักการะเกลือนเต็มไปหมดนะบางคนก็ว่าพระองค์มีลาบสักการะมากเพราะพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าเป็นเพราะเราทําไว้แล้วไม่ใช่ลาบสักการะเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะเราเป็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ฮะแม้แต่เกิดขึ้นเป็นเกิดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ก็ตามเนี่ยบริษัทที่ไม่เคยเป็นบริษัทของตัวเองเขาก็ยังไม่เริ่อมใสศรัทธาเขาก็ยังไม่ทํา เหมือนอย่างกลุ่มชนกลุ่มชนหนึ่งซึ่งเป็นบริษัทบริวารของพระมหาคสปะถือนู้นถือนี้ติดมาติดมือมาไม่เจอพุทธเจ้าเขาทำเก้เก้อเขินเขินเหมือนไม่รู้จักอะไรเลยพุทธเจ้าองก็สองยิ้มเออเออเดี๋ยวพระมหาคสปะมาเดี๋ยวเราค่อยเดี๋ยวเราค่อยได้ฉันเดี๋ยวพระมหาคสปะมาเพราะมหาคสพระมหาคสปะมาก็เคยเป็นบริษัทบริวารของพระมหาคสปะหลางไหลกันเอาไปถวายพระมหาคสปะน่ย พระมหาสปากะหอมผ้าเฉียงบาหันมาทางพุทธเจ้ากล้าปลอกปลอกปลอกเนี่ยไอพวกนั้นเห็นถึงค่อยเรื่อมใสศรัทธาตามหลังนั่นนะไหมเน่ยความเป็นรูปพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะไปดึงนู้นดึงนี้อะไรได้หมดเพราะทุกอย่างมันก็เป็นไปตามกรรมอาศัยกรรมเก่าอ้างเอาบุญเก่ากรรมเก่านี่แหละี่พุทธเจ้าของเราเช่นเดียวกันนี่เราเห็นความสําคัญของรูปพุทธเจ้าที่ฉันพูดเรื่องเหล่านี้ไว้เราได้ยินได้ฟัง แล้วก็เอาน้อมมาที่เรานี่ยแหละน้อมมาที่เรา เ, เ, มมา เ, ราเป็นเหตุให้พระองค์ทรงมาตรัสทำให้เราให้ทานให้ยิ่งเขาไปรักษาศีลให้ยิ่งเขาไปเจริญสัมมาทิตยเจริญวิปัสสน า, าไปอยากได้แค่สวรรค์อยากได้แค่สวรรคร์ชั้นไหนชั้นไหนชั้นไหนรักษาศีลให้ยิ่งเขาไปทำทานให้มากเข้าไปไม่ต้องภาวนาดอกอาาได้ไปเกิดบนสวรรค์ แต่บนสวรรค์มันมีความสุขอยู่ในนั้นแหละแต่ความสุขละความสุขเหานั้นก็น ส, สุขสุขดิบๆอยู่นั้นแหละอย่าว่าแต่บนสวรรค์เขาจะมีไม่มีความทุกข์เนาะมันก็มีความทุกข์ใจเพราะอันนี้ยังทุกครังอันนับตามอยู่ในนั้นหมดจะมีความสุขใจที่ไหนมีบริษัทบริวารมากๆเดี๋ยวกลัวคนอื่นมาแย่งไปบ้างอะไรไปบ้างบาดระแวงวิตกกังวลอะไรจะไยสารพัด เรามาดูแต่เราบริโภคกามอยู่บ้านอยู่ช่องอยู่เรือนนีนี่เถอะมันมีความสุขสักประเดี๋ยวประดาวเท่านั้นแหละือความทุกข์ตามมาเป็นวันเป็นวันยิงไประวอระวงระแวงแแปลงใจสามีกลัวภรรยามีใหม่ภรรยากลัวสามีมีใหม่ด้วยแล้วก็ทุกข์อยู่นั้นแหละคอยเอาอกเอาใจกันอยู่นั้นแหละบางทีก็เอาอกเอาใจได้บางทีก็เอาอกเอาใจไม่ได้บางทีก็ทะเลาะกัน บางทีก็พูดหยอกกันบางทีก็พูดทีเล่นทีจริงแต่กิเลส ข, ข้างในมันไม่เคยเล่นเลยมันไม่เคยเล่นเลยมันมีแต่จะหาช่องที่จะชนะหาช่องที่จะเอาชนะหาช่องที่จะเอาชนะอยู่นั้นนี่คือโทษของกามเราดูเข้าไปซีสามีก็ตามภรรยาก็ตามเจ็บไข้ได้ป่วยอีกฝ่ายหนึก่ก็ทุกอีกฝ่ายหนึ่งตายไปอีกฝ่ายหนึงก็ทุกอยู่นั่นแหละโูที่ อีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดนอกใจไปกับทุกทุกมากแหละอันนี้ทุกมากกว่าอย่างอื่นทิ่มแทงในหัวใจทิ้มเข้ามาในหัวใจแทงเข้ามาในหัวใจนี่คือความทุกข์เรารักษาสิ่งเหล่านี้เหมือนกับเรารักษาเหมือนกับเรารักษาหนามเหมือนกับเรารักษาลิ่มที่มันปักนึบเข้าไปในกายของเราเนี่ยอ่า ที่โคนที่มันปักนึบลงไปมีทั้งหนองมีทั้งเลือดมีทั้งเจ็บมีทั้งปวดมีทั้งอะไรอยู่นั้นแหละพอเราคิดถึงสิ่งเหล่านี้พรบเมื่อกระมาถูกเมื่อกรามาถูกลิ่มหรือเรามาถูกเสี้ยนเนี่ยถูกปัะกกระจึกถูกปัะกกระจึกถูกปัะกกระจึกอาศัยว่าความสุขนิดนดหน่อยน่อยกรบกบกรบกบเกลื่อนเกลือนให้เราเห็นว่าพอมีความสุข ถ้าเราจะตั้งใจจะพูดตามหลักที่แท้จริงนั้นน่ะเราถือเป็นคู่บารมีช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้แต่ถ้าหากเรารู้จักอิ่มพอไม่ปล่อยโอกาสให้กิเลสมันมาสวมรอยจนทุกข์เพิ่มเติมไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิน้นมีเราพูดไปพูดมาเขพูดถึงเรื่องของกามพูดถึงโทษของกามโทษของกามเหล่านี้เราตัดออกจากหัวใจด้วยการภานาะให้ใจได้รับความสงบ ฉันพิจารณาพื่อทำลายความหลงของตัวเองโดยเหตุที่ความหลงนั่นแหละพายามยึดหมดยึดนู่นยึดนี่ยึดอะไรสารพัดหลงอิจฉาทิ่เสียพยาบาทมีป่ามีเสียงมีอะไรเราดูมันโอ้ดูแล้วมันน่าเบื่อมากๆมันเป็นเรื่องของกิเลสเพอเ์เวอร์เพเวอยืนให้เราเห็นเนี่ยมันน่าเบื่อมากๆแต่ผู้ที่เห็นก็เห็นผู้ที่ไม่เห็นก็ยังสนุกกับมันอยู่ การศรึกษา ร, รมของพระทธเจ้าทำให้เราระลึรู้สึกตัวได้ตื่นเนื้อตื่นตัวได้กลับเนื้อกลับตัวได้หาความสุขด้วยการให้ทานด้วยการรักษาศีลด้วยการภาวนาได้อ้าเอว่งเอาเลิกได้ไปภาวนานต่อนะใครจะเนสัจจิกหมดทั้งคืนอ๋อใครบ้างเนเนสัจจิกทั้งคืน เนสชิกยาวหรือเนสชิกเดินนั่งใครมีกำลังมีเรี่ยวแรงก็ไปทำนะใครไม่มีแรงเดินไม่มีแรงนั่งไม่มีแรงยืนนอนในสชิกทั้งคืนก็ได้ อ, อ้าวนอนภาวนาไม่ให้หลับนอนภาวนาไม่ให้หลับ ระวังแท้ๆระวังไม่ให้หลับพเท่าเนเมันเหมาะสำหรับพเท่าอ่ากาลังน้อยนอนภาวนาไม่ให้มันหลับเอาเด้อพุท่าเด้อนอนภาวนาแข่งกันเด้อใครเครคร า, คร า, คร า, รานเคาแสดงวนแน่หลับแน่